ตามธรรมดาของมันเช่นถ้าเป็นสังคตาธรรมมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นต้นจึงไม่ต้องมีอัตตาไม่ต้องมีตัวตนหรือตัวอะไรที่จะมาแทรกมาแซงเข้ามาเป็นแกน่นเป็นแกนหรือมาครอบมาครองมาสั่งบังคับให้เป็นหรือไม่ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซ้อนเข้าไปอีกซึ่งจะทาให้สับสนแล้วก็เป็นไปไม่ได้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 แล้วทาไมจึงเกิดความผิดพลาดนั้นก็ตอบได้ว่ามูลเหตุของความผิดพลาดได้แก่ภาวะตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดอุปาทานคือความยึดถือทําให้สร้างภาพอัตตาขึ้นซึ่งเมื่เข้าไปยึดเข้าไปจับสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งจริงแท้หรือไม่จริงแท้ก็ตามสิ่งนั้นๆก็ถูกมองเห็นเป็นภาพที่ผิดพลาดบิดเบือนไปหมดผลที่ได้จากการมองอันบิดเบือนนี้ ก็คือตัวอัตตาหรือภาพอัตตาที่นำมาึดถือเอาไว้ในการแก้ปัญหาสิ่งที่จะต้องทำจึงไม่ใช่อยู่ที่มาวินิจฉัยกันว่ายึดอะไรเป็นอัตตาจะผิดจะถูกหรือว่าอะไรเป็นอัตตาอะไรไม่เป็นอัตตาที่แท้จริงสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือตัวความึดถือในอัตตานั่นเอง ซึ่งหมายถึงทั้งภาพสัญญาทฤษฎีอัตตาที่สร้างขึ้นตลอดไปจนถึงรากเงาคือภาวะตัณหาซึ่งเป็นตัวการให้สร้างภาพสัญญาทิฏฐิหรือทฤษฎีอัตตานั้นและให้ไปยึดเอาสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างเป็นอัตตาและพัฒนาทฤษฎีอัตตาให้ประนีตขึ้นไปตามผู้ตามหลักธรรมว่าให้ถอนอัตตาทิฏฐิหรืออัตตนุทิฐิ สลัดอัตตวาธาและละภวะตันหาเสีย